ได้กล่าวไว้อย่างละเอียดตามที่ปรากฏไว้อยู่ในตอนต้นๆของบทและได้กล่าวสรรเสริญถึงคุณงามความดีของกลุ่มแนวหน้าที่มีความใกล้ชิดทั้งในตอนเริ่มและตอนจบของบทด้วยพระนามของอัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอเมื่อเหตุการณ์วันกิยามะได้เกิดขึ้น لي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 พวกเขานอนเอกขนเนกอยู่บนนั้นโดยหันหน้าเข้าหากั น, ก ม, น, ม, นมีเด็กๆที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันวนเวียนรับใช้พวกเขาตลอดไปมมด้วยแก้วใหญ่และแก้วมีหู และจอกใสสุ่่รราาทีินมพวกเขาจะไม่มึนศีรษะและไม่หมดสติเมื่อดื่มสุรานั้นมมมมมและผลไม้หลากชนิดตามแต่พวกเขาจะเลือกสรน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 และกลุ่มทางขวาผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวาเจ้ารู้หรือไม่ว่ากลุ่มทางขวาเป็นอย่างไรผู้เขาอยู่ภายใต้ต้นพุทสาที่ไร้หนามและต้นกล้วยที่ออกผลเป็นเครือตั้งแต่ยอดจดโคนต้นจนมองไม่เห็นลำต้น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 เราจะถูกให้ฟื้นคืนชีพอีกรกะ น, นั้นหรือตลอดชนบนรรพบุรุษของเราแต่การก่อนนั้นด้วยหรื อ, อมจมกองกล่าวเถิดมฮัมหมัดว่าแท้จริงชนรุ่นก่อนและชนรุ่นหลังๆนั้น จะถูกรวบรวมไว้จนกระทั่งถึงวันอันเป็นที่รู้จักกันดีคือวันกีาา่มม อ, นนอย่บบางมาแล้วรวมทั้งพวกเจ้าอีกด้วยโอบ้บรรดาผู้หลงผิดบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายแน่นอนพวกเจ้าจะเป็นผู้กินต้น ลและพวกเขาจะใส่มันเข้าเต็มท้องลและพวกเขาจะดื่มน้ำที่กำลังเดือดตามลงไปลและพวกเขาจะดื่มน้ำเช่นกับการดื่มของอูดที่กระหายน้ำจัาดาี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 แล้วจะไหนเล่าพวกเจ้าจึงไม่ไข้ควร م م พวกเจ้าเห็นสิ่งที่พวกเจ้าวานแล้วม่ใช่หรืออพวกเจ้าทำให้มันงอกเงยขึ้นมาหรือว่าเราเป็นผู้ทำให้มันงอกเงยขึ้นมา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 แล้วฉะนเล่าพวกเจ้าจึงไม่กระทันอยู่ ت ت พวกเจ้าเห็นไฟที่พวกเจ้าจุดขึ้นมาแล้วไม่ใช่หรือ أ أ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 ดังนั้นเจ้าจงสรุดีด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เถิดข้าอาลัลลอฮขอสาบาลด้วยตำแหน่งต่างๆแห่งดวงดาวว่าอลลส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 หากว่าพวกเจ้าไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของผู้ใดชะไหนล่าพวกเจ้าจึงไม่ให้วิญญาณกลับเข้ามาสู่ร่างอีกหากพวกเจ้าพูดจริงหากว่าเขาผู้ตายเป็นผู้กล้ชิด ลอเราหรหนจันทนความอิ่มเอิบสดชื่นและสวรรค์อันเป็นที่โปรดปรานก็จะได้แก่เขาว่อํามาอกนมินสหาบยมีและหากว่าเขาอยู่ในกลุ่มทางขวาผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา่าปซลามุลละกะมินอสหาบิลยมีน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 สิ่งที่เตรียมไว้สำหรับพวกเขาก็คือน้ำร้อนที่กำลังเดือดและเปลวไฟที่ลุกไหม้ ق ق แท้จริงนี่แหละคือความจริงที่แน่นอนบบบบดังนั้นเจ้าจงสะดุดีด้วยพระนามของพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เดิอด